มีให้ทําการละหมาดบทนี้ได้เริ่มด้วยการบรรยายถึงความโปรดปารานของอัลลอฮ์ที่มีต่อรอซูลของพระองค์ด้วยการประทานอัลกุรอานปาฏิหารอันเจรังและการกล่าวถึงความโปรดปารานครั้งแรกขณะที่ท่านนาบีกําลังเคารพภักดีต่อพระเจ้าของเขาณถ้ำฮิรอโดยที่องค์การถูกประทานลงมาด้วยบทนี้ได้กล่าวถึงการละเมิดของขอบเขตของมนุษย์ในการดํารงชีวิตนี้ด้วยพลัง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 ไปสู่การอ่านและการเรียนการศึกษาและจบลงด้วยการละหมาดและการพักดีเพื่อให้ความรู้กับการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันและการเริ่มต้นและการจบที่มีความสอดคล้องกันด้วยพระนามของ all aw, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ มูฮัมหมัดจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระผู้พิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิดพระองค์ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดมูฮัมหมัด al จงอ่านเถิดและพระผู้พิบาลของเจ้านั้นทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ นนไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเข ต, รรตนเนื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วแท้จริงอย่างพระพุภิบาลของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไป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 อย่่างแน น, น, น, น, นข า, ขามมที่โกหกที่ประพฤติชั่ ว, ลวแล้วเขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุมนรกมิใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสุยูดกราบและเข้าใก ล, าาล้อลลอฮเถอะ